วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหมิถุนาพุทธศักราช2553ห้าเป็นวันพระขึ้นส5บห้าค่ำเดือนแดแต่สิบห้าค่ำเดือนแดตามปกตินี้เป็นวันเข้าพรรษาแต่ปีนี้เป็นแปดสองขนอันนี้เป็นแดแรกเป็นแปดที่หนึ่งเพราะนั้นจึงไม่ใช่วันเข้าพรรษาเอก เดือนหน้าเพนเพนแปดหน้าจากนี้เป็นหนึ่งเดือนนะจากนี้ปีหนึ่งเดือนเป็นวันเข้าพรรษาปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสามอันนี้ก็คือพูดให้ฟังเป็นการกล่าวเตือนสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายในพรรษาที่จะถึง ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนีเราจะเตรียมพร้อมอยังไงเราระจประปฏิบัติตนอย่างไรเราจะยึดอะไรเป็นหลักที่จะเข้าพรรษาปีห้าสิบสามนี้สำหรับคราวาัตญาติโยมจะยึดอะไรสำหรับฝ่ายพระสงฆ์เราจะยึดอะไรอย่างท่าน ปัจจุบาลท่านไปอยู่ในป่าท่านบอกว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พวกเราควรจะเร่งความภาคเพียรให้ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลในช่วงที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่อันนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ควรจะคิดว่าช่วงนี้พระพุทธศาสนายังอยู่คู่กับโลก ยังสมบูรณ์ด้วยพระธรรมคาสอนทุกอย่างทำไมเราพูดว่าพระธรรมคาสั่งสอนอย่างครบบริบูรณ์เพราะว่าเราวิเคราะห์ด้วยสติด้วยปัญญาของเราเราวิเคราะห์ยังไงก็หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีเหตุมีผลสมบูรณ์บริบูรณ์ เพราะนั้นเราจึงเชื่อว่านี่คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าคือหลักเหตุผลเมื่อหลักเหตุผลลงตรงไหนนั่นแหะคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราจึงพวกเราจึงกล่าวได้ว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ในโลกอยู่ในขณะนี้เพราะนั้นพวกเราควรจะสั่งสมคุณงามความดี ควรจะสร้างบุญสร้างกุศลในพระพุทธศาสนาแล้วก็พวกเราจะเป็นผู้ได้รับบุญกุศลอย่างเต็มเปีย่ยมแต่ถ้าว่าเราเกิดมาในยุคสมัยที่พระพุทธศาสนาไม่มีไม่มีใครแนะนําสั่งสอนไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จกัจกสิ่งควรไม่ควรแต่มีกฎกติกาสําหรับ หมู่มนุษชาติที่อยู่ด้วยกันไม่ให้เบียดเบียนกันเท่านั้นยังไม่เพียงพอแต่ในหลักของพุทธศ า, าสนานมีกฎมีระเบียบอยู่แล้วยังแนะนําในแนวความคิดอีกคิดอย่างไรจึงจะเป็นสัมมาทิฐิคิดยังไงจึงจะถูกต้องคิดยังไงเป็นการคิดผิดคิดยังไงเป็นการที่คิดออกไปแล้วให้โทษในการคิด อันที่ก็คือหลักของพุทธศาสนาสอนกระทั่งความคิดและการพูดไม่ต้องพูดถึงเมื่อคิดดีแล้วพูดออกไปก็ไปในทางที่ถูกต้องถ้าคิดผิดว่วใจเราคิดผิดพูดออกไปก็พูดไปในทางที่ผิดพอคิดออกมาทางไม่ถูกแล้วมีต่ออารมณ์โมโหโกธามันก็ไปทางความโกรธถาวร ความคิดของเราไปทางรักทางใคร่เวลาพูดออกมาก็มีแต่ความรักความใคร่ออกไปเพออาราะเหตุใดเพราะใจของเราคิดไปในทางไหนกายวาจาเป็นลูกน้องก็ต้องไปตามนั้นแต่ทวัตดนี้เราได้ศึกษาในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรเราก็พยายามนำทำคาสอนของพระพุทธเจ้านั้น มาวิเคราะห์มาไต่ตรองมาพิจารณาพินิษพิจารณาด้วยเหตุและผลพินิษ์พิจารณาอย่างไรพวกเราก็มั่นใจว่าอันนี้คือหลักเหตุผลเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้อย่างให้ทานอย่างนี้พวกเราสอนกันบางศาสนาเขาไม่สอนให้ทานทําให้การสอนให้ทานในี่คายๆกว่า เป็นการเสียสละให้แก่คนขี้เกียจทํางานขี้เกียจทํางานทําการแต่พระพุทธศาสนาท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านสอนให้คนทําทานให้การมีการเสียสละเมื่อในการเสียสละเราก็มาพิจารณาดูสิว่าคนที่เสียสละในชุมชนในกลุ่มคนคิดว่าเขาจะยากจนก็ไม่ใช่นะ มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเห็นกันก็ยิ้มแย้มแจม่มใสไม่จองไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวนกันอีกต่างหากเพราะคนมีน้ำใจคนมีเมตตาไอคนที่ไม่ยอมเสียสละไม่ยอมเสียสละในการทำบุญทำทานไม่ยอมให้อภัยแก่ใครนั่นหละคนกลุ่มนั้นน่ะดูดูแล้วห น, หน้างับหนางอหน้าไม่เบิกไม่บาน เพราะเหตุ อ, อะไรเพราะว่ามันมีอะไรไมิได้คิดจะเอารัดเอาเปรียบกันสรุปแล้วก็คือไม่มีน้ําใจไม่มีเมตตาจะหาความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขได้อย่างไรถ้าเราอยู่ในสถานะเช่นนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพิจารณาดูว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ให้ทานเนืา่ามีเหตุมีผลสมบูรณ์บริบูรณ์คนมีทานะมีฐานะ ม, มีการเสียสละ ให้ซึ่งกันและกันแล้วคนชุมชนกลุ่มนั้นก็จะมีความสุขต่ี้มาพูดเรื่องสินก็เช่นเดียวกันคนที่มีสินอยู่ในชุมชนใดกลุ่มใดยดุคใดสมัยใดถ้าว่ามีสินบริสุทธิ์บริบูรณ์มีสินห้ามีสินอุโบสถถ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันถ้าอยู่ด้วยกันเป็นผู้มีสินไม่ออกนอกรูนอกทางดูด้วยกันก็ร่มเย็นเป็นสุขไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่ได้คิดระแวงแคลงใจก่อนเพราะเหตุไรเพราะต่างองค์ก็ต่างมีศิลถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมก็ช่นเดียวกันถ้าว่าฆราวาสญาติโยมมีสินห้าทุกคนไปนสถานที่ใดก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้ระแวงแคลงใจกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างเป็นผู้มีสินบริสุทธิ์บริบูรณ์นี่แหละสินของพระพุทธเจ้าคุ้มครองให้คนทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขได้ อันนี้คือสินสมาธิพยายามทาจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งถ้าเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วทุกคนก็จะมีแต่ความสุขความสบายใจในชุมชนและสังคมนานๆเพราะ น, นั้นเรื่องสมาธิเป็นเรื่องทางด้านจิตใจเป็นแนวความคิดพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องความคิด เป็นเรื่องใหญ่มากในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสมาธิแนวความคิดของด้านจิตใจเป็นเรื่องใหญ่ถ้าว่าคนคิดผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านว่ามีแต่ไปทางทุกขติถ้าผู้ใดก็ตามเป็นสัมมาทิฏฐิผู้นั้นก็ไปสู่สุขติเยเพราะนั้นท่านจึงเน้นหนักเรื่องความคิดของใจ ท้าเน้นบอกใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าหาว่าใจของเรามีเหตุมีผลถ้าคิดดีผลคุณงามความดีก็ตามไปถ้าเราคิดชั่วความชั่วผลความชั่วก็จะตามไปเหมือนกับล้เ อ, อเกวียนที่มันตามรอยเท้าโคฉะนั้น คือเกวียนจะต้องตามรอ ย, รอยเท้าโคโคเป็นคนลากเกวียนนอันนี้ก็เหมือนกันใจเป็นคนลา ก, กรรมถ้าเราทํากรรมไม่ดีกรรมไม่ดีก็จะตามใจตรงนั้นถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีทั้งหลายอากุศุลกกรรมทั้งหลายก็จะตามใจตรงนั้นเพราะนั้นพระพรองค์ท่านจึงตรัสว่าต้องระวังอย่าไปทํากรรมไม่ดีให้ทาแต่กรรมดีนี่แหละ แล้วจะทำยังไงเราจึงจะเบรกห้ามตัวเองได้การที่จะห้ามตัวเองแบบดุด่ยๆขึ้นมาแล้วคิดห้ามมันก็ายากเหมือนกันนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้มีสติสัมปชัญญะคือให้ภาวนาด็ให้ภาวนาให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวฉันั้นเอาสติกับสัมปชัญญะเนี่ย มากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหรือกำหนดดูร่างกายทุกส่วนของเราร่างกายของเรานั่งอยู่ในสภาพเช่นใดเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้มีสติทั่วร่างกายให้รอบคอบให้รู้ทั้งหมดหรือเราจะพิจารณาหรือเราจะกำหนดดูใจก็ได้หัวใจของเราเนี่ยมันเต้นตุบตุบเนี่ย เอาความสติจับอยู่ที่หัวใจที่มันเต้นก็ได้ได้ทั้งนั้นสรุปล้วก็คือให้มีสติในการเป็นอยู่ถ้าเราก้าวเดินเหินไปที่ไหนก็ให้มีสติในการก้าวเดินก้าวขวาก้าวซ้ายพทุทโธหรือจะไม่บริกรมรมพุทโธก็ได้ให้มีสติในการก้าวเดินเหลือบซ้ายแลขวาทำการทำงานมีสติในการงานที่กระทา อันนี้จัดว่าเป็นภาวนาทั้งนั้นแต่ถ้าว่าเราขาดสติถึงจะนั่งภาวนากําหนดนั่งขัดสมาธิอย่างดีหลับตาอย่างดีอยู่ในที่สงบสงัดแต่จิตใจของเราปล่อยออกไปคิดออกไปไม่อยู่กับตัวเองไม่มีสติสัมปชัญญะในช่วงนั้นคิดไปที่ไหนก็ไม่รู้อันนั้นท่านว่าไม่ใช่นั่งภาวนานั่งคิดนั่งปรุงนั่งส่งคิดออกนอก ไม่ถูกแต่ถ้าว่าเรานั่งนั่งอยู่สถานที่ไหนเรามีสติสัมปชัญญะในตรงนั้นกำหนดอยู่ตรงนั้นมีสติอยู่ตรงนั้นนี่แหละจังหวัดนั่งภาวนานั่งพยายามทําจิตใจให้สงบแต่เมื่อเราจิตใจเราสงบพอสมควรแล้วเราก็นามาพิจารณาทางด้านปัญญาจิตใจที่สมาธิ หลวงพ่อเคยอธิบายให้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนสมาธิมีอยู่สามขั้นคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิอไม่เกินอัปปนาสมาธิใจของเรามีถึงขั้นสูงสุดก็คืออัปปนาสมาธิจิตใจสงบเป็นหนึ่งจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้แล้วอ่ะอัปปนาสมาธิ จากนั้นก็ถอนถอนออกมาจากสมาธิมันมีวันถอนได้นะสมาธิเนี่ยมันจะไม่อยู่ตลอดไปแต่บางท่านบางคนก็อยู่ได้นานนะอุปจารสมาธินี่อันนี้อยู่ได้นานนะสติอยู่กับตัวเองการเคลื่อนไหวไปมาทั้งหลายรู้แต่จิตใจมันไม่ปุง่งไม่ฟุง้งไม่ซ่านคล้ายๆว่ามีสิ่งที่จับจิตจับใจของเราอยู่อยใจของเราคิดเรื่องอะไรสติของเราจับ ในความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเราจะเหินเนินไปที่ไหนเราจะทำอะไรก็มีสติอยู่กับใจดวงนั้นอันนี้แปลว่าจิตว่าใจสงบก็ใช่จิว่าใจอยู่ก็ใช่ใจไม่ป้วงไม่ฟุง้งไม่ซ่านก็ใช่เรารู้แก่ใจเราเดินไปที่ไหนเราทำอะไรเรารู้ว่าเราใจของเราสติของเราเป็นยังไงในขณะนั้น อันนี้เป็นไปได้อยู่ได้นานทีเดียวอันนี้วัปรารสมาธิเนี่ยแต่คณิกะสมาธิอันนั้นประเดี๋ยวประดาวเรากําหนดภาวนาจากนัก้นจิตเข้าสู่ความสงบเพียงชั่วขณะหนึ่งคะอันนี้ว่าคณิกะสมาธิสมาธิมีอยู่สามขั้นเท่านั้นไม่เกินกว่าแต่ปัญญานี่มีมากมายมีมากมายหลายหายอย่าง ปัญญาปัญญาวิปัสสนาเราจะพิจารณาอย่างไงเราจะใช้ยังไงถึงเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเราก็นํามาพิจารณาเลยแต่จะพิจารณาถ้าเราพิจารณาถึงตัวผู้รู้คือใจของเราเรานึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้เราจะพิจารณาก็ได้เอาสติมาจับแล้วก็พิจารณามันไปทางดีมันไปทางชั่วมันไปทางโกรธทางโลภทางหลงยังไง กำหนดดูใจของเราอย่างนั้นก็ได้แต่โดยมากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะให้พิจารณาร่างกายเพราะร่างกายเป็นของหยาบมองเห็นได้ทั้งตาเนื้อทั้งใจด้วยมองทั้งตาเนื้อก็เห็นมองเห็นร่างกายตัวเองเห็นร่างกายของคนอื่นจากนั้นถ้ามองทางจิตใจก็จะมองเห็นได้หลับตาอยู่กับกาหนดดูรู้ได้ว่าร่างกายของเรา มีอะไรบ้างแล้วต่อไปจะเป็นยังไงบ้างอดูร่างกายตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายเราไม่ต้องดูเราก็ได้ให้ดูคนอื่นอเป็นยังไงตัวของเราก็ไม่แพ้เขาเขาก็ไม่แพ้เราเมื่อเราตายเขาก็ตายเมื่อเขาตายเราก็ตายเมื่อเขาเจ็บเราก็พร้อมที่จะเจ็บแต่มากน้อยต่างกันกว่ากันอันนั้นก็สุดแท้แต่ กลัมของใครกรัม ข, ของเราถ้าเราเขาทํากรัมไม่ดีเอาไวา้ขันก็เป็นวิบากอย่างหนักเหมือนกันแต่ถ้าเราทําท่านทํากรัมเรียเอาไวา้วิบากกรัมก็ไม่มีเพราะหอะไรเพราะไม่ได้ทํากรัมชั่วเสียหายกรัมเก่าเขาไม่มาไม่ให้เสเวยไม่ให้มาเล่นงานเราในขณะที่เราเป็นอยู่แต่ถาาว่าเราทํากรัมที่ไม่ดีเอาไว้ แต่เบื้องหลังกรรมไม่ดีนั้นก็ต้องตามสนองอย่างพระโมกคลาเนี่ยท่านได้ฆ่าพอ่อฆ่าแม่ของท่านเนี่ยกรรมเก่าวิบากกรรมก็ามาให้ท่านได้รับอันนี้แปลว่ากรรมเก่าให้ผลแต่ถ้าเราไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นเราไม่ได้ทำอย่างนั้นบางทีเราทำอีกอย่างอื่นเบาลงมากกรรมนั้นก็จะให้ผลตามที่ตัวเองได้ทำแต่ถ้าตัวเองไม่ได้ทำ เกิดมาพบได้พบที่แล้วชาติที่แล้วก็สั่งสมคุนงามความดีมาเรื่อยๆทางว่าเราได้ทํากรรมชั่วก็จริงอยู่แต่เราใช้หมดแล้วเราหลายภพหลายชาติเราใช้มาแต่เราไม่ได้สร้างต่อเรามีแต่สร้างสมขุดงามความดีเอาไว้บุญบาปอุกุศลมันก็หมดได้เหมือนกันนะอ่ามีตถกุศลต่อเนื่องไปเรื่อยๆทีเนี่เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่าน อย่าทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องให้ภาวนาเนี่ยนะพวกเรามาปฏิบัติจุปารงพงไพนะัยไม่ใช่มาอย่างอื่นนะอย่าไปคิดมาเพื่อสแสวงลาบสแสวงยศหาลาภหายศหาสนาเสริรนให้คนชนเสิร์นเยินย อ, อาหาเงินหาทองไม่ใช่นะอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ตุปัจของใช้ถ้าหากว่าพอเป็นไปได้ไม่เดือดไม่ร้อนแล้วก็อยู่อยู่อย่างไม่เดือดไม่ร้อน อยู่ไปรักษาศินภาวนาสิ่งไหนขาดตกปกพ่องก็ให้มันขาดตกปกพ่องไปแต่ศีลธรรมจิตภาวนาอย่าให้ขาดตกปกพ่องเรื่องภาวนาเป็นหัวใจเป็นจุดใหญ่ของเราเป็นเครื่องนำชีวิตจิตใจของเราคือเรื่องภาวนาแต่ของอย่างอื่นนั้นขาดขาดเหลือๆขาดตกปกพ่องไปบ้างพวกเราอย่าไปใส่ใจ คนจะยกย่องนินทา ส, นสรนเถื่อยังไงถ้าเราไม่ได้ทําความช่วเสียหายเราก็ไม่วิตกกังวลไม่ให้คนคนไม่ถูกนินทาเนี่ยมันไม่มีดอกในโล ก, กเยมันพูดดีขนาดไหนเขาก็นินทาอีกแบบหนึง่งทำไม่พูดเขาก็นินทาอีกแบบหนึง่งทั้งพูดและไม่พูดเขาก็นินทาได้ทั้งนั้นสรเสริญก็ชินเดียวกันคนพูดมากเขาก็เฉิเถื่อนได้ คนไม่พูดเขาก็สรรเสริญได้คนทั้งพูดทั้งไม่พูดเขาก็สรรเสริญได้ถ้าเขาใจสรรเสริญเพราะนั้นสรรเสริญมาอยู่ในปากของเขาเราจะไปกับเพื่อมตามปากของคนอื่นนั้นเราก็เป็นทุกข์เปล่าในเมื่อเขาสรรเสริญก็ดีเขานินทาก็ดีเราต้องมองเราดูเราว่าเป็นยังไงมันถูกต้องไหมที่เขานินทานั้นโอ้ใช่มันถูกต้องว่า เราก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆนะจากนั้นเราก็พยายามไม่ทํำอย่างที่เขานินทาเขาสนรเสริญก็เหมือนกันเขาสรเสริญนี่ถูกต้องไหมที่เขาสรรเสริญถ้ามันถูกต้องเราก็ยินดีรับสรรเสริญเขาแต่เราทําไม่ได้ทําอย่างนั้นแต่เขาสนรเสริญเราจะไปยินดีกับสนรเสริญเขาได้ยังไงเพราะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาสรรเสริญไม่มีใครที่จะรู้ ยิ่งกว่าตัวของเราเองเพราะฉะนั้นให้พวกเราดูเราสรุปแล้วอย่าลืมตัวอย่าไปหลงในสนเสริญอย่าไปหลงในนินทาของเขาถ้าเราทําตัวหรือทําใจได้อย่างนั้นถ้ามีสติสัมปชัญญะมองตัวเองอยู่อย่างนั้นนั่นแหละไปอยู่ในสถานที่ใดไม่ว่าเกิดในภพนิชชาตินี้เกิดไปกี่ภพกี่ชาติเราก็ไม่หลง ในการเป็นอยู่ของเรารู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้เขารู้เราถ้าทําอย่างนั้นได้นั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราให้มีสติอย่างที่ว่านั่นสติตัวนี้สำคัญมากๆในการประพุทธปฏิบัติจากนั้นกายพิจารณาพิจารณาถึงร่างกายพิจารณากายแล้วก็พิจารณาใจพิจารณาใจ ใจนึกคิดเรื่องอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้เอาสติสัมปชัญญะเข้ามาดูใจใจของเรามาปรุงฟุ้งไปทางไหนไปทางกิเลสตัวไหนพอใจหรือไม่พอใจไปราคารหรือไปโทสะไปโลภหรือไปโกรธหรือไปหลงโลภอยากจะได้ของเขาใจไหมโกรธให้แกใครบ้างไม่พอใจกับใครบ้างแล้วก็หลงหลงเรื่องอะไร แต่ตาไม่จริงมันก็คําว่าหลงคํำนี้มันหลงสัก่อนมึงจึงโกรธมันหลงสัก่อนมันจึงรักมันหลงสัก่อนมึงจึงเกลียดจังชังคนอื่นเขาถ้ามันไม่หลงน่ะมันก็รู้เท่ารู้ทันจะไปเกลียดอะไรอจะไปชังเขาทําไมจะไปรักเขาทําไมฮถ้าเรามีสติสัมปชัญญะถ้าเรารู้แจ้งบริสุทธิ์บริบูรณ์และกําจัดความหลงออกจากใจแล้คือใจพระอรหันต์ อใจพระาราหันท่านไม่ลุ่มท่านไม่หลงอท่านไม่จิตใจของท่านไม่กระเพื่องมไม่กระชอกไม่กระเพื่อมจิตใจมาตรฐานจิตใจนิ่งอจิตใจของท่านสแตนดาร์ดเหมือนกันจิตใจมาตรฐานแต่พวกเรามันไม่มาตรฐานนะสิมันขึ้นมันลงอบางทีกระชอกเกือบจะคว่ําก็มีอบางทีก็ ก็ น, นิ่งดีอยู่แต่บางครั้งบางคราวเนี่ยมันจะลังมาอยู่ก็มีถึงเยอะแยะไปเพราะเหตุ อ, อะไรเพราะใจของเราเนี่ยมันบังคับไร้ยากมากแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้นำทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้รับการอบรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้รับคำสอนทำคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาปรับปรุง กายใจของเราแล้วเนะ่ะมองไม่เห็นทางอื่นมางั้นเอบางทีมันขึ้นโมโหโมโหมากๆโมโหโกธาขึ้นจนลังไม่อยู่จนตัวสั่นไปหมดอย่างนี้ก็มีเพราะอะไรเพราะว่าโทสะมันออกไปจากใจราคะก็เช่นเดียวกันเพราะมันออกมมันหลงซะก่อนมันจะออกไปทั้งสองอย่างเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ สรุปแล้วก็คือบริกรรมเวลาก้าเดินจากนี่ไปกุฏิพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปถึงกุฏิแล้วกลับมาอยู่พุทโธพุทโธพุทโธถึงถึงศาลาแล้วก็กําหนดลมเวลานั่งก็กาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเวลาปัดกวาดกับเวี่ยงซ้ายเวียงขวาพุทเวี่ยงซ้ายโทพุทโธพุทโธให้มีสติ ถ้าเราเอาสติจับอยู่ในการเคลื่อนไหวตลอดเวลานั่นแหละเป็นแนวแถวของพ่อแม่กูบาอาจารย์เป็นแนวแถวของพระพุทธเจา้าท่านจะให้ทำอย่างนั้นแต่ถึงยังไงพวกเราทำไม่ได้อย่างนั้นแต่พวกเราก็เชิดชูบูชาเอาไว้ว่านี่แหละคือพระพุทธเจา้าท่านให้ทำอย่างนั้นแต่เรายังทำไม่ได้แต่เราพยายามเราจะพยายามทำให้ได้เ ถ้าเราไม่ได้ขณะหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดก็จะได้ขณะหนึ่งชั่วเวลาหนึ่งขณะหนึ่งเราจะพยายามทําอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนกับเราจะทํายังไงเราจึงจะหาเงินจะหาเงินให้ได้แต่ถึงเราจะขี้เกียจยังไงก็เราก็เห็นว่าเงินได้มีคุณค่าเงินมีคุณค่าสําหรับเราแต่เรานพยายามหาเงินเมื่อหายังไม่ได้เงิน ยังไม่มีช่องทางแต่เราก็ยังคิดว่าเงินนั้นมีประโยชน์ถ้าได้เงินมาแล้วมีประโยชน์สำหรับเรานี้ก็เหมือนกันเมื่อมีสติสติสัมปชัญญะที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนแล้วว่าให้มีสตินะให้อยู่กับตัวเองนะให้ใจอยู่กับตัวเองให้มากนะเราพิจารณาดูแล้วเห็นคุณค่าจริงๆ ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแต่เรายังทําไม่ได้แต่พวกเราก็ต้องพยายามนะพยายามพยายามทํากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพยายามให้มีสติสัมปชัญญะถ้าเราทําได้อย่างนั้นแล้วนะอันนี้ประเสริฐตามแนวแถวของพุท ธ, ธจากนั้นก็นํามาพิจารณาอย่างที่ว่านพิจารณาร่างกายสังขารพิจารณา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 หาทานใช้มากๆเผาให้มันไหม้ใหถ้าเขารักนะคนตายแล้วเขารักเนะ่าเขาเผาเผาให้ไหม้ที่สุดเมื่อกี้นี่แหละไม่มีอย่างอื่ น, นถ้าอย่างนั้นก็เอาเอาไปเข้าหงซุยเขาพยายามทำให้ดีที่สุดให้แข็งแรงที่สุดนในหงซุยนั่นเนี่ยอันนี้คือคนรักกันเมื่อตายไปแล้วเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วเราล่ะ อันนั้นคือเขาที่เราเห็นแต่เราล่ะก็คงจะเช่นเดียวกันเพราะตายไปแล้วแล้วใจของเราละ่ะจะไหนที่จะออกจากร่างนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้เรามีคุณธรรมประจำใจของเรามากน้อยแค่ไหนเรามีคุณธรรมในใจของเราเต็มเปี่ยมแล้วหรื อ, อยังถ้ายังไม่เต็มเปี่ยมเราก็พยายามดู คุณธรรมในใจของเราเนี่ยังนะยังขาดตูกบกพร่องอยู่นะเราควรจะทำให้เต็มขึ้นกว่านี้ให้บริบูรณ์ให้จบในภพนี้ชาตินี้ถ้าเกิดพหน้าชาตินาก็ยังที่ว่าอีกเพิอนกันเกิดมาพพใดชาติใดกินแล้วก็ถ่ายถ่ายแล้วก็กินกินแล้วก็ถ่ายถ่ายแล้วก็แฉะแสวงหาทรัพย์อีกอยู่อย่างเนี้ยผลไดสูงกว่า แก่ไปเรื่อยๆผลที่สุดแก่แล้วเกิดบางทีบางวันก่อนพร้อมที่จะเจ็บจะป่วยผลที่สุดก็ตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เรื่องความตายเกิดมาพบหน้าชาหนาเกเป็นอย่างนั้นเกิดมาเอกก็เป็นอย่างนั้นพอนั้นมาพิจารณาดูแล้วการเบียดบวยตายเกิดในวัฏสงสารนี่น่าเบื่อที่สรุปแล้วพะพระพุทธเจ้าทว่า หน้าเบื่อหน้าหนายผู้ตุชนนี่ทําไมไม่เบือ่ออทําไมมันเบื่อเบื่ออย่ากๆอยากอยาเบื่อเบืเบื่อเบ่ออย่ากๆเล ย, อ ย, อ ย, ออออยพอมันลาคาลําคาญกับตัวเองอถ้าว่าอยากจะให้พ้นทุกข์อยากจะภาวนาให้พ้นทุกข์ใจหนึ่งก็มันก็มีความสุขอยู่น่าในการกินการหลับการนอนการพูดการคุยการมีเงินคําทรัพย์สมบัติมันยังมีความสุขอยู่ฮและทีนี้ พอจะนั้นมาเมื่อมันทุกข์เข้ามาเอออยากจะพ้นทุกข์วะไม่อยากจะมาเกิดะมันก็เลยพอลำคาลลำคาญเนี่ยนะ่ะเออจะเออจะอยากพออยากอยากพอทุกข์ อ, อ, อยากอยากเนี่ยพอทุกข์ทุกทุกทุกอยากอยากเบื่อเบื่ออยากอยากสรุปแล้วมันพอลำคาลลำคาญลมนะันคือมันไม่เห็นจริงเห็นจังถ้าเห็นจริงเห็นจังเออเห็นความตาย เลยเห็นความแก่ความเจ็บขันความตายเหมือนเพชฌฆาตอย่างทียวหานนะเหมือนเพชฌฆาตเดินตามหลังเราถ้าเราถือใส่น้ําขันน้ำเต็มเต็มเต็มคุณต้องถือขันน้นําีำไปนะถ้าขันน้ําหกเมื่อไหร่เพชฌฆาตจะตัดคอคุณในเมื่อนั้น ถ้าเราเห็นมรณะภัยแล้วเห็นทุกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเห็นเพชฌฆาตอย่างนั้นอะที่จะตัดคอเราอยู่นั่นแหละเราก็คงจะสั่งสมคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่ถ้าเรายังไม่เห็นโทษถึงขนาดนั้นละ่ะโอ้มันยังทะเลทลายอยู่นะใจนี่นะไม่ใช่ธรรมดานะใจดรงนี้ไม่ใช่ธรรมดามันติดพพติดชาติมันติดอยู่ในโลกพัตะสงสาร นานเท่านานไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดกับนางปต a จ a ล า, าท่านว่าปตต j a ราเธอไม่ต้องพูดอย่างอื่นเธอเกิดมาในโลกนี้ร้องห่มร้องให้กับคนที่รักคนที่เป็นที่รักของคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่ล้มหายตายจากไปนะเราได้ร้องหม่มร้องให้กับท่านเหล่านั้น เกิดมาชาติหนึ่งก็ร้องให้เกิดมาชาติต่อไปก็ร้องให้เราเกิดมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติทวันน้ําตานั้นไม่เหือดไม่แห้งน้ําตานั้นยังอยู่คงเดิมน้ําตาของแต่ละคนมากกว่าน้ํามหาสมุทรอ่าพระพุทธเจ้าทตรัสอย่างนั้นแสดงว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ อ, อเกิดมาไม่ใช่น้อย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 เปรียบเทียบให้พวกเราเบื่อหน่ายถึงจะพูดยังไงไอ้ผู้ที่มปีปัญญายังหนาแน่นอยู่ปัญญาของเรายังหยาบคลายอยู่ปัญญาของเรายังไม่เห็นไม่รู้แจ้งเห็นจริงยังไม่เห็นโทษอยู่ถึงจะพูดยังไงมันก็อามีความสุขอยู่หน้ามันก็ว่าลักษณะอย่างนั้นนะมีความสุขอยู่หน้าแต่ตามที่แท้แล้วนูนนะ่นแล้วจ เมื่อใจจะขาดเอาเข้าจริงๆนั่นละ่ะชักดิ่งชักคอนคิดหาอะไรก็ไม่ได้คว้าหน้าคว้าหลังพระน้สสุก็เลยใจขาดตายไปซะเกิดมาพบหน้าชาหน้าลืมอีอกอกิเลสมันพาลืมเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพูดท้งนี้ท้งนั้นใครเข้าเป็นแนวความคิดเป็นการชี้แนวชีน้นาในแนวความคิดจริงไหม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 การพิจารณาหาเหตุผลไต่ตรองหาเหตุและผล เ, เพราะคนเราเนี่ยนี่แหละมีอะไรบ้างในร่างกายของเราจะจีรังถาวอไหม อ, อันนี้ก็ให้พวกเรานำมาพิพพนิจวิเคราะห์ดูให้ดีที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราพวกเราใช้สติใช้ปัญญาของเร า, เาวินิจวิเคราะห์ดูให้ดี พวกเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างไงล้วนแล้วจะเป็นสวากาตรธรรมตรัสไว้ถูกต้องมีเหตุมีผลบริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้านนํามาพิจารณาด้วยเหตุและผลแล้วเรายอมรับในพระธรรมคําสอนเพราะฉะนั้นเราจึงได้มาประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าดวงพงไพ่ฐานอาหารมือเดียวนอนคนเดียว แล้วก็ต้องอุกตั้งใจภาวนาปฏิบัติเพราะเราพิจนารณานด้วยชะตติด้วยปัญญาของเราแล้วเรายอมรับทุกประการนะนาการพูดกันแนะแดวในวันนี้ก็เห็นว่าสงควรกับการเวลาขอยุติเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินัดนี้นะ